การเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสืออื่นเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบรญชาร้องหม่มร้องไห้ไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี้เด็กชอบ แต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำนั้นเด็กไม่ได้คำหนึ่งเื่อพ่อแม่สั่งให้ยุบบอกให้ไปโรงนํำโรงเรียนเด็กยังไม่อยากไปฟื้นบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยคาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่ากัน ชอบเล่นชอบสนุกสนานตามภาษาของเด็กตอนนั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นเรืเ่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเรียนมาบ้างแล้วพอแม่หรือครูหรือ้ายๆก็อบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทางความดีความชั่ว ความเลวไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงความรู้วิชาที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเติบโ ต, ตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษารเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจทัื่มาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้ว จะไปเป็นอย่างเด็กนั่นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลนึกความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองแลอนะคาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั้นทาไม่ได้มันจะจนกรอบจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามํะดับลาดาผลงานนั่นก็เป็นเครื่อง ก็ยงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับทีเราเกี่ยวกรับยศตาบรรดาศักข์เขาอีก<ม>ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก<ม>ารปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กเด ในการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความน้มใส่ในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฟื้นภานกิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูถายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องถลเอถลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันพราะยังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมา ตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่ครวะญ า, ยาโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันด้วยเหตุนี้ศาสนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ท่านไม่บังคับให้คนมานรับนับถือเพราะศาสนาเป็นสมบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองอ่ะไม่ได้บังคับบังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องสะแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงินี่ เราก็ต้องหางานมีงานก็มีเงินเป็นต้นเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทํางานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองอยเรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนับรับนับถือแต่เมื่อตอนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดน่ะเรามีเหตุผลของเราใ น, ในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทําอย่างไร ถึงจะเป็นไปตามแนวทางที่ศาสนาท่านสอนไว้อแล้วที่นี้ จ, จิตใจของเราตามธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วทําอย่างไรถึงจะเป็นไปตามหลักศาสนาที่สอนไว้เราต้องบังคับเรานะนี่นะเมื่อนับถือศาสนาแล้วก็ต้องบังคับเราให้เป็นไปตามหลักศาสนามันเป็นคนละเรื่องกับศาสนาซึ่งเป็นของกลางยังไม่เป็นของผู้ใด แต่เมื่อเรารับนับถือแล้วก็เป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แหละในการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อละเพื่อตอบทอนกิเลสเพื่อความร่มเย็นเป็นสุภ า, า, นาใน จ, จิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดตึ้งการตอดทอน ก, กิเลสไปเรื่อยๆหลังที่เราคาดไว้น่ะวิมุตติพระนิพพานเป็นต้นเนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอันหนึ่งที่จะให้เกิดความมุสาพ ย, ยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตาม เขียนพิษทางเดินทตั้งไว้แล้วอย่างนั้นเนื่องต้องมันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้ทั้งทั้ที่กิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคําว่าจะไปพระนิพพานในกิเลสมันโอขขัดมากที่เดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราคิดพินาศิบหายมันไม่ยอมให้ไปนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมามันอยู่ภายจิตใจเป็นที่เพียงว่าทําการกีดขวางภานจิตใจที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีนี่ จะต้องหาเรื่องหารามาทําการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี่จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาแต่พาะ อ, อย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาห์พยายามล้มลุกคลานก็ตามตะเกียกตะกายไปจนได้อ่าวันนี้กิดมันดือ้อ อัดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดือด้อนั่นเองนั่นคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทําไ ม, มคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทําผิดดูด่าว่ากล่าวกันทํำไมนี่เจิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกทรมานกันทําไม นี่เวลานิจิตของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรมานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกําลังความสามารถนี่อุบาสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลําบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้าน เราจะทําอย่างไรกิ่ทั้งหลาถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องท ร, รมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มหนิวทีเดียวเนี่ยเมื่อกิตมันผ่าผลด้วยอํานาจของกิเลสล้วก็ผาดผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะปเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ ปรากฏขึ้นม า, าก็จักษ์คือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอํานาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการทรมานจิตใจนี่เป็นสักขิพยานขึ้นมาเป็นระยะระยะที่ชนะมันเป็นพักพักไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากครามลำบากไม่ได้ยากเเฉย ไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีผลดีเรื่อยๆนี่จิตแม้จะผัาผลขนาดไหนก็ต่างสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าขันติเอามาใชา้ วิิยะเอามาสนับสนุงสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปยิเลศจะหาอวิมยแสดงคนมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบยิเลศต้องนำมาปราบจนได้ปราบยิเลศไม่ได้เราแพ้คนที่แพ้อ ย, อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลย ยิ่งแช่มเปียดได้ขึ้นแพ้บนเวทีด้วยแล้วลือลั่นทั่วโลกเนี่ยให้เรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้และเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนํามาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของดีนอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงนึก เป็นตาตดาจึงได้เป็นสรณะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้นภารกิจของเราเพราะความแพ้มีอย่างหรือขัดกันกับาศาสนาธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงผานำนินมามันขัดกันนะเราต้องนํามาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผลด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับปรัชญของยิ่เลศซึ่งมีความแหลมคม กดกี่บังคับกิใจเรามานหะนแล้วต้องใช้อุบายวิธีนี้อา้าวอะไรเป็นมัชชิมากิเลสมีน้ำหนักขนาดไหนมีกำลังมากขนาดไหนเราต้องใช้มัชชิมาเราต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามกำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแลคือมัชชิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่นี่แหละมัชิมาพพุทธเจ้า แม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายกายกองเป็น ล, ลํารถลํารถที่ดื้เขาทําไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจจังเรากิเลสมีกี่ประเภทน่มีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละเนรละหน้าตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วถ้าเข้าไปยังไม่ถึงเข็ดแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางอยูแล้วตายพี่นาศตโลไปหมด เรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทําอย่างง่ายๆทํายทอย่างสบายๆแบบมัชฌิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชฌิมาของกิเลสมีแต่วความอ่อนแอมีแต่วความยอมตามมีแต่วความจํานอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชฌิมาของทําแล้วกิเลสจะหมอบล้าไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตา ม, ตาตามโลกนี้มีประชาอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติ ตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนเบ ะ, ะตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักทิศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามรือว่าพุทธทางสนางคาฉามิแล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธงชัยปราบปรามทิเลต จ, จนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนีเรียกว่ามัชชิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชชิมาทิเลตผ่าผลมัชชิมาผาดผลเอาให้ถึงกันถึงกัน กิเลสละเอียดลงไปมัชี่มาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชชิมากได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาด น, นั้นตามต้อนทันทันกันโดยลําดับดับเอาให้พีดนักไปหมดไม่มีเหลือเลยน้ในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่หเหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภายในจิตใจไม่ให้เราประกอบ ความภาคความเพียรด้วยความตั้งเมื้อตั้งตัวได้เลยมันทําให้ล่มทางนั้นทำให้เองทางนี้อยู่นั่นแหละะเราให้ทราบว่าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั้นนะ่ะคือกิเลส ท, ทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมอยู่ที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทําความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลูกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีฮะกิเลสมันจะตั้งท่าสู้เราแล้ว แล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยนี่ว่าจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปทําบุญทาทานไปรักษาศีลภาวนานะมันจะต้องหาอุบายมาไม่ได้นะนั่งงานอย่างนั้นทํา ง, งานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้เออกว่าจะลําบากลําบนอะไรอดเข่าขำเข้าเย็นรักษาศีลน่ะทำไม่ได้สะดวกสบายเหมือนยุ่งไปหมดเละมันหลอกเราตอนที่เราจังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันแหละเพราะเราเคยเชื่อมันมานานแล้วทีนพอเรา เป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายใ จ, จิตใจก่อควรให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี้ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าตัวงเรามีคุณค่ามีแต่ความรุ่มร้อน หาที่ที่เกาะหาที่อาศัยอตายตโนนาโถตัมีที่พึ่งของตนไม่สนใจเลยมีแต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาพึ่งสมบัติมาตรฐานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ทีเวลาเราได้สร้าง ความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตถาิธตโนนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดจิตอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว่าเวทที่จะพึ่งโงน่พึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตตอิจตโนนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเพียรของเราเป็นผลขึ้นมาแล้วพอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยายามมันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุน จะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายาจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลําดับเอา้าทําให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและออัศจรรย์เห็นหลักแห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลําดับลําดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับแน่ทีนี้ความเพียรเริ่มเริ่มแล้วทีรู้หน้าที่การงานของตนทํากิจการงานใดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่ ควรบำเพ็ญเอากิงเอาจางมันปล่อยทันทีเลยทําไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทําไมมันยุ่งมันยุ่งแล้วทําไมมันปล่อยได้คนคนั่นแท้เวล่าเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามือแจ้งอันเก่าทําไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนก่อนมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุอะไรมันกระเพาะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนครางอยู่งนั้นแหละนี่ว่าไงนี่พอถอดเสี้ยนตอนน้ำคือกิเลสตัวเป็นอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้ก้าวไปได้เราทําได้ถึงเวลาเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้ นั่นคืเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้ไมันยังตายได้หากว่ามัมนมีเวลาว่างเลยทําไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทําความพาเพียรทําไมมันไม่ว่างนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทําความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดเมยังมีชีวิตอยู่นี่นแค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบวิเลศวิเลศที่มาก่อกวนที่มาทําการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ ขนก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเยน็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำลดับลำดาบอ้าวพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบขันนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วอ้าวปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วทงสารนี่เป็นไรอืโลกมันมีอะไรคําว่านิจังทุกขลาตานีจต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยนิจังทุกขลาตาในใจของเราก็เช่นนั้น ทุกขณะจิตที่มันแสดงออกล้นแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรักธาตุขันล้นแล้วตั้งแต่ใจรักพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้ตนกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาเลยแฮะมันกว้างไปที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องเราไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างอยู่ที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้าน้นกว่านี้เอาไฟก็มาเผาตนเองมันก็กว้างที่บาเวลามันแคบแคบอยู่ที่ใจ เกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆแล้วโล่กว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่แล้วว่าโลกมันกว้างมันไม่ได้กว้างมันมาคับแคบที่จิตใจติดกันที่จิุดใจล้อมอยู่ที่จิตใจเพราะจึงสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิพจนารณาในทางปัญญาพิจนารณาไปตรงไหนรู้สิไม่ยว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องกี่ชั้นกี่ห อ, อก็าตามเถ อ, อะมันพินาศทิบหายลงไปหมด จะสร้างไปจากกี่พันชั้นอ้าวมันก็ออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายนี่เองแล้วไปหลงอะไรมันอืกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทายคือเหล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่ <holding> การพิจารณาด้วยปัญญาโคนเราก็คนเขาก็โคนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรการรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรถอะไรบ้างเราก็รู้ แล้วตื่นรถอะไรอีกเนี่ยเครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นอยู่เหรอตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยอยุ่ยยวนภานจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกิ่รูปเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมันอะไรอีกนี่ก็อางอิงจาทุกหน้าตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้งถ้าซึ้งเรียกว่าชัดชัดแล้วมันปล่อยความ เที่ยวเกี่ยวข้องเที่ยวหาบเที่ยวหามแบกนุ่นแบกนี่มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมัน่นถือมัน่นความสําคัญผิดเพราะความโง่เขลาวบวปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสตัณฑเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็คล้อยตามให้กิเลสฟันเอาฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัวฮะ mm hmm. วางไง เดินเดินนั่งนอนไม่สิ้นสุดนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละ <c oughs> บนหัวใจไม่ใช่หัวอะไรบนหัวใจอสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงมันไปโดยลําดับลําดาบนี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาการพิจารณาเช่นนี้ ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความตํางการผิดทั้งต้นด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญานั้นก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมากควบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำไมนมีอะไรควนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนหยุดก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้แจะว่าอะไร จิตใจยิ่งก่อควาตัเดียงอยู่ตลอดเวลาเดิกคําโง่เขาว่าวิญญาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็อยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อควรมจิตใจให้เดือดร้อนมันวาตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนเฉพราะอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้ หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไฟออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดแล้วไม่ได้ไปหาจิตไหนเน่ะถ้าจิตมันเย็นแค่อย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมดมีปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วเห็นผลทางด้านปัญญาการถอดถอนเทียนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญา เป็นขั้นขถอดเอาโดยลําดับลําดับลําดับเหมือนทั้งที่ท่านสวดถอนโบดนั่นเองนี่ท่านทําเป็นอุบายสําคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านผูกพระที่มาท่านสวดถอนซะก่อนพระสงฆ์มาจํานวนมากมายืนเป็นแถวก็ลส้สวด สวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกอย่างนั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดผูกพอเสร็จแล้วตัดลูกนิมิตตูมตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้ แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนหน้าก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากสงจะมาถอนเท่านั้นแล้วเมื่อถึงขั้นตัดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสง์ในการผูกพระธศสีมาสำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการตรวจถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่าง ทางลูกทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งจิตมันไปสําคัญมันหมายกําหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นทอนความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันของตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงดุทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสําคัญเขาไปหา ตำหนิ ด, ดีเตียนเขาไปอย่างนั้นตานชมเขาไปอย่างนี้นี่คือผู้ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่เฉยเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาไปตำหนิเขาไปชมเขาความติก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สําคัญผิดนั่นนี่แดแล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะงั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันทราบทั้งภายในคับเรื่องของกิตล้วน พิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แนะ่หนาะถ้าวอนมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายจันทร์ทุกนาทีจุดตลอดเวลาทุกเอียบอแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีมุ่งเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็หมุนไปนของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไร ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้เขาลูกลามเข้ามาลูกลามเข้ามาจกนกระทั่งถ้าถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบผลของออกหรือถ้าเราไม่อยากให้ให้ไฟมันไหม้จนเป็นเท่าเต็นท์ฐานไปแล้วเราก็ควรรีบผลของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทำอะไรเรารีบผลของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบผลของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดทําสร้างให้พอ เรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่หรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปลอยอ่าสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนเอนเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากําหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลําดับลําดับฮะรูปก็เป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจ่ากำลังไหมอันนี้จังทุกขังหน้ตามันไหมตลอดเวลาอ่าพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปอรูปนั่นก็คือก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอ ดินทั้งแผ่นมาแบบเป็นต้นเอายกดินทั้งแผ่นนี้มาแบบไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกายอันหนึ่งนี่มาแบบมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเก็บท้องปวดหัวร้อนแล้วตั้งแต่ความหนักหน่วงท่วงจิตใจทั้งนั้นแล้วยังไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้ เ, เวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะ ทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทางนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั่นปวดนี่ตลอดเวลานักเห็นไหมมันเึิ่แทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันมันไม่หลงเรานี่นะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียวเราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาเองาเขาไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเฉกับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้เนี่ยรู้ไม่จริงท่านจเรียกว่าอวิชชา รู้งมงงเดาๆไปงั้นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาและพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ่งใจแล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราจะเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสําคัญอย่างนั้นเข้ามา เป็นเครื่องกีดขวางทางเดินของเรามันจะไม่เดินไปไม่ตลอดมันจะขี้เกียจพิจารณาจนเข้าใจเคยพิจารณาอยู่ที่นี่เราก็หลงอยู่ที่นี่หลงมากี่ครั้งกี่หนกี่ปีกี่เดือนเรายังพอใจหลงทําไมที่พิพจารณาเพื่อความรู้ทําไมเราจะไม่พอใจพิจารณากี่ครั้งกี่หลว่าพอพิจารณาไปให้มันจนรู้รู้แล้วมันถอนอ้าวอาการทั้งห้ามันมีอะไรที่ควรจะแบบจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็น ก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยปล่อยทั้งอุปทานถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความถูกความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจ ร, ริงอย่าไปเสกสรรว่ามันมันเป็นอย่างนั้ง น, นี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัจธรรมเป็นของจ ร, ริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกได้เนี่ยเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจ นาเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสําคัญสำคัญยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสัำคัญยื่นให้สัญญายึดมั่นยืนมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังพาระ จ, จิตใจนี่ตั้งแต่เสีย่ยมแต่หนามเต็มไปหภาระจิตใจ้นหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งทูกความสําคัญรน้ำหมายนี่มันทิ่นแทงพาระจิตใจจนแหลมมอดฮ้ยวิญญาณรับทราบขนาดที่สิ่งมาสัมผัส เย็บเย็บเย็บเยเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปัาบดับพร้อมอะไรมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนไม่ยางเลยอนี่ยนายเนชัดใครมันไปหลงไปงมงายกับสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไป ตัวนั่นแหละตัวหลงจริงๆรากเงาะเป็ความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรักกบแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนความปรุงปุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นท่น น, น, นดับตรงไปที่นั่นอะไรๆเกิดขึ้นท่นั่นดับไปที่นั่นลากแก้มันไม่ดับมันก็ผลักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพี่ล้าไป ใจนี่มันก็เหมือนหัวเปือกหัวมันเวลามันยังสดสดยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามแต่เมื่อนไม่สุกมันก็เป็นของเป็นเป็นพิษนี่มันจะควรเป็นอาหารได้อย่างไรในขณะที่มันยังสดสดอเวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความถูกอันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจอด้วยยาพิษ มีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวปวดของมันที่เจอด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนเมื่อจืดหมดแล้วพิษภัยในของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผือกรับทานลงไป อ, อร่อยๆไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษเนี่เป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซักฟอกออกด้วยตะปะธรรมคือความเพียรแผดเผา ทลือซึ่งมีอยู่ภายใจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รถธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมอตตังรถแห่งธรรมก็คือรถของใจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนมีอยู่พ า, ายาใจรถแห่งธรรมชำนะถึงรถทั้งปวงมันชำนาญที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรถแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอํานาจของสติปัญญา ขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมาชาติล้วนๆท่านแบบปรมังสุขขังพรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพรนิพพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตลางด้วยกิเลสตัหาจองจอําอีกสักพดเวลานี่นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปวดเปื้องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัหาแล้วใครจะเป็นเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นออเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ย นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งนิพานังปรมังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยใจที่หมักหมมอยู่แลกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกอย่างยิ่งนั่นว่าไงมีอยูที่ไหนนิพานอยู่ที่ไห น, น, ไหนแล้วหลงนิพานไปไหนเวลานี้วาดภาพนิพานน้นวาดภาพนิพานนี้วาดประธานมายุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระพุทเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวง มันเห็นความจริงของนิพญาณคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพานไม่เรียกไม่ไป็าปัญหาอะไรทั้งหมดะพอตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขขงังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดถ่วงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้แล้วความรู้ที่ ร, ร, รู้อยู่เวลานี้แหละ ที่จะเป็นประมังสุขขังเวลานี้กําลังถูกกดถว่วงเรากําลังชําละเรากําลังซักพอกเรากําลังขับไล่เพื่อความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจริตนิสยัยความสามารถของแต่ละรายๆไว้ทาความพยายามเห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับถมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้น จิตจริงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแลอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากําลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังที่ปิดบังกิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกําลังของธรรมะของเราคำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลาพังตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมาสุขขังจะมมีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหน มือถึงความปิงแล้วไม่ถามมาถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาประโยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรือความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยากร้อนก่อแล้วคาวก่แล้วอะไรอร่อยขนาดไหนที่เคยรัทานมามันก็ไม่อยากเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันพอแล้วรับไม่ได้ี จิตเมื่อพอตัวทำพอตัวภารกิจแล้วคำว่านิพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพานคืออะไรนี่มี่ก็มีท่านั้นอาละเอวัง